24 กิลานวัถุคถาว่าด้วย では그 barber preciousstroke ujinon 구ึง Source เป็นโกรสounced nel zeke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 ท่านพระอานนท์ทูลรับเสนอพระดํารัสแล้วตักน้ํามาถวายพระ ภิกษุกราบทูลว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีหรือผู้ภิกษุกราบ แต่ได้พวกภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลเธอพวกภิกษุกราบทูลว่าเพราะ ภิกษุทั้งหลายผู้จะพยาบาลเราก็ ถ้ามีอันเตวาสิกอันเตวาสิกพึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าเธอจะหายถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาผู้ร่วมอุปัชฌาพึงอาจารย์ผู้ อันเตวาสิกผู้ร่วมคือ 1 ไม่ 2 ไม่รู้ประมาณในความสบาย 3 ไม่ฉัญญะ 4 ไม่บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลไข้ที่ 5 เป็นคนไม่อด ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะฆ่าชีวิตภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีไม 1 ทํา าย, 2 รู้ประมาณในความสบาย 3 บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้ว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเลาว่า คนไข้ที่มีอาการ 5 อย่างนี้แล 5 ไม่ควรพยาบาล 5 ไม่ควร 1 ไม่ 2 ไม่รู้จัก อย่าไม่มีจิตเมตตาคนไข้เพราะเห็นแก่อามิสไม่มีจิต 4 เริ่มเกียรติ 5 ไม่สามารถพูดให้คน ผู้ 5 นี้แลไม่ 5 ควรพยาบาลภิกษุ 5 ควร 1 สามารถ 2 รู้จัก ไม่พยาบาลคนไข้เพราะเห็นแก่อามิตรมีจิต ผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบ 5 นี้แล 225 มตสันตกกถาว่าด้วยการให้ ภิกษุรูปหนึ่งในอาวาดอันเป็นไข้หลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้ปร solemn isasกันดังนี้ว่า ท่านอย่างพระพูดมีประภาคทรงส pave เษริงการพยาบาลพพยาบาลพยกษุไข้พวกเราจงพยาบาลพริกษุรูปนี้ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ บาตรและกรรมวาจา ขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วนี้คือตรายจีวรและบาทของ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ สมัยนั้นสามเณรรูป 1 มรณภาพภิกษุทั้งหลายได้นําเรื่องแต่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้เป็น วิธีมอบจีวรและบาทให้และฆมวาจาสําหรับมอบให้ภิกษุทั้งหลายสงฆ์ ท่านผู้เจริญขอทรงทรงฟังข้าพเจ้าสมณเณรชื่อนี้มรณภาพแล้ว ทรงให้จีวรและบาทนี้แก่ภิกษุผู้ ภิกษุสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้สมัยนั้นภิกษุและสามเณรช่วยกันพยาบาลภิกษุไข้เธอได้รับการพยาบาลอยู่ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้มอบโสณจีวรแก่ แด่ผู้พยาบาลไข้เป็นผู้มี 226 นัคคิยปฏิเกเปกถาว่าด้วยทรงห้ามเปลือยกายเรื่องภิกษุเปลือยกายสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเปลือยกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคประสันเสินความมักน้อยสันโดษความขลาดเกลา การปรารภความเพียรโดยประการต่างๆการเปลือกายนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความมักๆขอประทานวโรกาสพระ การกระทำของเธอไม่สมควรกระทําไม่เหมาะสมเธอใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิสสมณะ ภิกษุไม่พึงสมาทานการปลยกายที่พวกเดรัจฉีทํากันรูปใดสมาทานต้องอาบัติทุลละใจ 227 คุสจีราธิปติเขปกถาว่าด้วยทรงห้ามผ้าขากรองเป็นต้นเรื่องภิกษุนุ่งผ้าขากรองเป็นต้น นุ่งผ้าผลไม้นุ่งผ้าทอด้วยผมคนนุ่งผ้าทอด้วยขนสัตว์นุ่งผ้าทอด้วย การปรารภความเพียรโดยประการต่างๆหนังสือนี้ย่อมเป็นๆขอประทานพระโอกาสพระผู้มี โมคคบุรุษการกระทําของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิสสมณะใช้ไม่ได้ไม่ ภิกษุไม่ผึงใช้หนังเสืออันเป็นเรื่องภิกษุนุ่งผ้าทํารูป 1 นุ่งผ้าทําด้วยก้าน พระผู้มีพระภาคตรัสสนับสนุนความมักน้อยความสันโดษความขัด ขอประทานวรกาจพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอนุญาตผ้าปลือปอแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้า มิได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคน 228 สัพพนีลกาธิปฏิเสภกถาว่าด้วยทรงห้ามจีวรสีเขียว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 ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลภิกษุทั้ง ไม่พึงห่มจีวรที่ไม่ตัดชายไม่พึงห่ม 229 วัดสังฆุทธานังอนปันนะจีวรคถาว่า ชีวรยังไม่เกิดแก่ภิกษุผู้จำพรรษา ปติญญาเป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านบ้างปติญญาเป็นคนกระสับกระส่ายเพราะเวทนาบ้างฟุงซ่านบ้างประติญญาเป็นคนกระศัพรุกระ reconcile เพราะเวทธนาบ้าง ปตินยาเป็นผู้เข้ารีตเดรัจฉานบ้างปตินยาเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างปตินยาเป็นผู้ฆ่ามารดาบ้างปตินยาเป็นผู้ฆ่าบิดาบ้างปตินยาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์บ้างปตินยาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี ภิกษุทั้งหลายจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีให้ทรงทราบพระรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุแล้วหลีกไปเสียเมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นเมื่อมีผู้รับแทนที่สมควร มรณภาพลมปฏิญญาเป็นสามเณรปฏิญญาเป็นผู้บอกลาสิกขาเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุสงฆ์เป็นเจ้าของ ปตินยาเป็นผู้ถูกสงลงอุเกขปณิยกรรมเพราะ ปตินยาเป็นผู้เข้ารีตเดรัจฉานปตินยาเป็นสัตว์เดรัจฉานปตินยาเป็นผู้ฆ่ามารดาปตินยาเป็น ในกรณีนี้ภิกษุที่จําพรรษาแล้วลีกไปเมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ สงเป็นเจ้าของจีวรนั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีเมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งกันปฏิญญา ปตินยาเป็นผู้ถูกสงลงอุเกขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเมื่อ ปตินยาเป็นผู้ฆ่าบิดาปตินยาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ ความเกิดขึ้นแห่งเรื่องสงแตกกันภิกษุทั้งหลายในกรณีสงแตกกันคนทั้งหลายในถิ่นหนึ่งถวายหนึ่งด้วยกล่าวว่าพวกสง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 ถวายจีวรในฝ่ายหนึ่งด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายเฉพาะฝ่ายนั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายเท่านั้นภิกษุทั้ง ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายในกรณีนี้เมื่อจีวรเกิดทุกขหิตะสุขหิตาธิกถาว่าด้วยจีวรที่ ท่านพระเรวตะฝากจีวรไปกับให้นําไปถวายท่านพระสารีบุตรด้วยสั่งว่าท่านจงถวาย ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผมยังไม่เห็นท่านพระเรวตะได้ท่านผมฝากจีวร เรื่องการถือเอา 1 เรฝากไปด้วยสั่งว่าท่านจงถวายพระผู้มี ถือเอาจีวรเองเพราะวิสาสะกับภิกษุผู้รับนั้นอย่างถือ อย่างนี้ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องแต่ถือเอาเพราะวิสาสะกับผู้ฝากชื่อว่า อย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องแต่ถือเอา อย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้องแต่ถือเอาเพราะวิสาสะกับผู้ อธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้ฝากอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องอธิษฐาน 2 ฝากไปด้วยกล่าวว่าผมขอถวายภิกษุทั้งหลาย ในระหว่างทางภิกษุผู้รับฝากถือเอาเองเพราะวิสาสะกับ ถือเอาเองเพราะวิสาสะกับผู้รับอย่างนี้ชื่อว่าถือ จึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุ การอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้รับนั้นอย่าง ผู้ฝากและผู้รับทั้งสองมรณภาพเสียแล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้ฝากอย่างนี้ 232 อรรถจีวรมาฎิกาว่าด้วยจีวรที่ เรื่องมาติกาแห่งจีวร 8 ข้อภิกษุทั้งหลายมาติกา 8 อย่าง 1 ถวาย 2 ถวาย 3 ถวาย 4 ถวาย 5 ถวาย 6 ถวายแข่ ถวายเฉาะจง 8 ถวายแก่บุคคลที่ชื่อ ทายกทำสักการะเป็นประจำแก่สงฆ์ในที่ใดถวายในที่นั้นที่ชื่อว่าถวายแก่สงฆ์ได้แก่สงฆ์อยู่พร้อมหน้ากัน ที่ชื่อว่าถวายแก่สงฆ์ผู้จําพรรษาว่าถวายเจาะจงได้แก่ถวายเฉพาะข้าวต้มภัตตาหารหรือเพศัติที่ชื่อว่าถวาย เราถวาย 8 จบ